เรื่องภิกษุประพฤติไม่สมควรข้อ71สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งพออุปสมบทแล้วได้ประพฤติไม่สมควรภิกษุทั้งหลายพากันกล่าวห้ามปราบว่าอาวุโสท่านอย่าได้กระทําอย่างนั้นเพราะการกระทําอย่างนั้นไม่สมควรภิกษุนั้นกล่าวอย่างนี้ว่ากระผมไม่ได้ขอร้องท่านผู้มีอายุทั้งหลายว่าจงให้กระผมอุปสมบท ทั้งหลายไม่ได้รับการขอร้องจากกระผมให้กระผมอุปสมบททําไมภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ได้รับการขอร้องไม่พึงให้กุลบุตรอุปสมบทรูปใดให้อุปสมบทต้องอาบัติทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ภิกษุผู้ได้รับการขอร้องให้กุลบุตรอุปสมบทได้